เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่แม่ของเราเข้าโรงพยาบาลเพราะต้องผ่าตัดไส้ติ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงปิดเทอมเราจึงไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลแม่ของเราพักอยู่ที่ชั้น9ของตึกหนึ่งในคืนแรกระหว่างที่เรากำลังหลับอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนลมพัดเราเลยลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าเราเห็นประตูที่ต่ อ, อ, อไปเป็นระเบียงนั้นมันเปิดอยู่้วยความง่วง เราจึงลุกขึ้นไปปิดประตูและกลับมานอนต่อในตอนเช้าพอเราตื่นขึ้นมาแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนทำอะไรเสียงดังเชียวเราก็ได้แต่สายหน้าและบอกไปว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีครั้งหนึ่งที่ประตูมันเปิดเองแม่ของเราก็บอกว่าสงสัยลืมล็อกประตูลมเลยฟัดประตูเปิดเราไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรวันนั้นเราก็อยู่กับแม่ทั้งวันจนตกดึกหน่อยนอยเราก็บอกแม่ไปว่าหิว ขอเงินลงไปซื้ออะไรกินข้างล่างหน่อยหน้าโรงพยาบาลเพราะหน้าโรงพยาบาลมีของขายเยอะแม่ก็ให้เงินแล้วเราก็ลงลิฟต์ไปกับนางพยาบาลคนหนึ่งเพราะลงไปถึงเราก็เดินไปหน้าโรงพยาบาลมองหาร้านอาหารที่น่ากินหน่อยแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปที่ร้านอาหารอิตาลีราคามันถูกดีพอเข้าไปพนักงานก็ถามว่ามาแค่นี้ใช่ไหมเราก็พยักหน้าไปพนักงานพาเราไปที่โต๊ะคู่แล้วก็ยืนรอรับออเดอร์เราสั่งพาสต้าไปจานหนึ่ง แต่พนักงานก็ยังรออยู่เราไม่รู้ว่าเขารออะไรเราเลยบอกไปว่าเอาแค่นี้นะพอมานักงานได้ยินก็ยิ้มแล้วเดินไปสั่งอาหารให้น้ำเปล่าที่เราสั่งมาส่งถึงโต๊ะในเวลาไม่นานและอีกคู่หนึ่งพาต้าจานโตก็มาถึงเรานั่งกินมันอยู่เ่อกินหมดก็จ่ายเงินแล้วก็เดินออกไปจากร้านแต่ได้ยินเสียงพนักงานที่รับออเดอร์โต๊ะของเราพูดแววๆขึ้นมาว่าทำไมกินอยู่คนเดียวเลยใจความคำพูดของเธอ ที่เราจับได้ก็ประมาณนี้เราไม่รู้ว่าเธอพูดถึงใครแต่ก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่เรายืนรอลิฟต์พอลิฟต์มาเราก็เข้าไปตอนนั้นอยู่ในลิฟต์คนเดียวเวลามันผ่านไปช้ามากลิฟต์เปิดที่ชั้น3โชคดีที่มีพยาบาลเข้ามาในลิฟต์ด้วยเพระถึงชั้น9เราก็เดินออกไปอยู่ๆพยาบาลในลิฟต์ก็เรียกเราแล้วบอกว่าหนูๆทําผ้าเช็ดหน้าตกจากเธอส่งผ้าเช็ดหน้าสีขามาให้เราแล้วเราก็รับมันไว้ก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดสนิท เรามองไปในลิฟต์อีกครั้งภายในลิฟต์มันเป็นกระจกเราเห็นภาพสะท้อนของตัวเองและใครอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆเราแต่ข้างเราตอนนั้นไม่มีใครเราทิ้งผ้าเช็ดหน้าลงกับโต๊ะเล็กๆแถวนั้นและรีบเดินเข้าไปในห้องเพื่อหาแม่ทันทีแม่ของเราหลับไปแล้วด้วยความกลัวเรารีบนอนคุมผ้าทันทีตกดึกเสียงดังแปลกๆก็ดังขึ้นเราลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าประตูต่อระเบียงนั้น ค่อยๆเลื่อนเปิดเองตอนนั้นเรากลัวมากไม่มีแรงได้ไม่มีเสียงที่จะร้องเราได้แต่นั่งมองดูประตูเปิดจนสุดและมันค่อยๆเลื่อนปิดจนสุดแล้วเราก็สะดุดกับอะไรบางอย่างที่เป็นสีขาวผืนบางๆผ้าเช็ดหน้าผืนที่พยาบาลส่งให้เราในลิฟต์และเพียงแค่วูบเดียวเท่านั้นที่เหมือนลมจะพัดแรงมากผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นปลิวมาติดที่ประตูแล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คุ้นตาตกลงไปจากระเบียงผู้หญิงที่เราเห็น เราจำได้ว่าเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆตอนที่เรามองกระจกในลิฟต์นั่นเองเพราะตอนเช้าเราก็เล่าให้แม่ฟังแม่ของเราก็บอกว่าสงสัยจะเป็นคนไข้ที่เคยอยู่ห้องนี้เพราะเมื่อวานนางพยาบาลเขาเล่าให้แม่ฟังว่าคนไข้ห้องนี้เคยกระโดดตึกตายเราได้ยินอย่างนั้นจึงไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวเลยหลังจากนั้น3มวันแม่เราก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและกลับไปนอนพักที่บ้าน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ